าการตามเวลาเป็นมงคลพวกเราจะต้องมีหน้าที่ในการศึกษาปฏิบัติธรรมชีวิตของเราเป็นเรื่องที่รีบด่วนความตายนำเข้าไม่ยั่งยืนความแก่ชราเดินเข้ามาไม่ยั่งยืน เราจะประมาทไม่ได้ต้องหาแสวงหาทางทางก็พระพุทธเจ้าของเราได้ตัดไปดีแล้วมีศรัทธาสร้างศรัทธาขึ้นต่อพระตตรตนายัยประพุทธประทรมเลยพระสงค์ เราเป็นธงชัยของพวกเรารันาตนใจเนี่ยชูธงขึ้นสะบัดไปข้างหน้าของเราแล้วเราจะต้องเพียรพยายามที่จะก้าวไปโดยอาศัยศรั <c oughs> ทธาอาศัยความเพียรในสติในกรรมฐานในการกระทํา เป็นกิริยาที่ต้องเดินไปจริงๆเไม่ใช่ศรัทธาเราคิดเฉยๆต้องมอีกิจกรรมมีตัวปฏิบัติเป็นเรามาสร้างสติเนี่ย <c oughs> สติคือความรู้สึกตัวเนี่ยตอนมีสติมันก็ไม่หลงทันที เป็นสิ่งที่ปฏิบัติได้ให้ผลได้ทันทีไม่มีการไม่มีเวลาอรอบครัวที่จะกระตือรือล้นกันบ้างอย่าประมาทแล้วก็หมาะที่สุดชีวิตของเราในเพื่อเพื่อเรื่องนี้โดยตรงเราจะไปใช้ชีวิตเพื่อเรื่องอื่นให้เอาเรื่องนี้ก่อนแต่เรื่องนี้ถูกต้องแล้วเรื่องอื่นก็ถูกต้องไปทั้งหมดเลย ในกายสามารถที่จะผิดความรู้สึกตัวอย่าเอากายไปผิดความหลงอย่าเอาใจไปผิดความหลงคิดใจมาผิดความรู้สึกตัวน่ะมันเป็นแก้วสารพัดนึกชีวิตของเรามันเป็นมนุษย์สมบัติสามารถที่สร้างได้ไม่ต้องไปกู้ไปยืมใครไม่ต้องไปเสบียหาที่ใดอ่า ส่วนไหมทั้งหมดของกายเราวนี่เพื่อจะให้เป็นวัสดุอุปรกรณ์ผิดความรู้สึกตัวขึ้นมานะหรือโดยเฉพาะรูปแบบของหลวงปู่เทียนที่ท่านสอนไว้นะหรือว่ามันเป็นการศึกษาที่สมบูรณ์เป็นสูตรที่สมบูรณ์แล้วแล้วก็ประยุกต์ใช้ตามรอยพระพุทธเจ้าของเรานะ่ เป็นเทคนิคที่จะสร้างสติให้มันทันเวลาให้มันทันสมัยสักหน่อยเพราะคนเราเนี่ยมันมันมันเปืเป้อนมามากมันจึเอาใั้วิธีการเคลื่อนไหวเพสร้างความรู้สึกตัวนะ่มันจุ่มมามันติดอะไรมาเยอะทำง่ายๆทำสบายๆไม่ได้ ก็เสื้อผ้าที่มันเปื้อนมามากอาศัยแป็บอาศัยผงซักฟอกมันก็ไม่ไม่ออกแล้วต้องอาศัยไฮเตอร์ต้องอาศัยอะไรต่อไปการรูปแบบการสร้างจังหวะเนี่ยมันมีพลังพลังแห่งความรู้สึกที่กำจัดความหลงได้นะ แล้วก็การเดินจงกรมมีสติเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปกับกิริยาการสร้างจังหวะมีสติเข้าไปเพิ่มสติเข้าไปเป็นกิริยาที่ทําเป็นกรรมไม่เกตนาไม่ความเพียรมีศรัทธาในการสํารวมไม่ปลิกวิเวกออกไปอยู่ พูดีผู้เดียวหรือไปอยู่กับมิตรกับเพื่อนเพื่อความอุ่นใจเห็นเพื่อนสร่างจังหวะเราก็เอากับเขาบ้างเห็นเพื่อนเดินสังคมเราก็เอากับเขาบ้างบางทีถ้าจิตใจยังไม่มีความพร้อมถ้าอยู่คนเดียวก็ประมาด้ถ้าว่ามีความพร้อมแล้วอยู่คนเดียวก็ยิ่งดี เอาต้นไม้เป็นเม็ดเอาต้นไมยเป็นเพื่องเห็นใบตองเห็น <c oughs> ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยมดแปลงต่างๆเป็นเพื่อนกับเราที่ทําให้เราได้ดื่มดำซับซึมเอาความรู้สึกตัวได้เช่นกันเห็นเรานั่งอยู่เดินอยู่ใรลมไม้ ต้นไม้มันก็ยืนอยู่แล้วก็แผ่จิงการสาขาปกคลุมแสงแดดแสงลมให้เราเขาก็ยืนอยู่เฉยเฉยเราทำไมไปคิดอะไรมากอยู่เฉยเฉยเหมือนต้นไม้ไม่ได้เลยก่อนอิจก่อนเห็นที่มันวางอยู่เขาก็อยู่นิ่งๆเราทำไมไปคิดอะไรไปทุกข์อะไรไปรักไปโกรธไปวิตกกังวลเรื่องอะไร ตอนไม้มันสอนก้อนเห็นก้อนดินมันสอนบางทีเราก็อยู่กับเพื่อนเพื่อนเขาก็พาทําความเพียรเราจะมานอนงอมืองอเท้าอยู่ยังไงเราก็คนเราก็คนวันทีหลงปู่เทียนแก่แล้วยังเดินยังกลมแทบแทบแทบแทเราจะมาเป็นแก่เหน็ดแก่ เ, นเหนื่อยอยู่ทําไม ไปคิดอะไรมากอาไว้คิดหองลกูกหองเมียหองครอบหองครัวหองบ้านหองช่องอา้าวพระพุทธเจ้าเป็นยังไงศาสดาของเราเราเราพระสาวกทั้งหลายเป็นอย่างไรก็มีเหมือนกันท่านทำไมท่านยังปฏิบัติธรรมท่านทําไมจึงได้บรรลุธรรม อไม่เอาอย่างท่านบ้างหรือจะเอาแต่อารมณ์ของตัวเองฮตัดสินใจโดยตนเองไม่คิดหน้าคิดหลังหรือเอาแบบยิงไปอ่านอ่ประวัติของพระสาวกแปดสิบ <c oughs> ลูกก็มีกําลังขึ้นมาศึกษาประวัติพระเทเจ้าก็มีกําลังขึ้นม า, าได้ปฏิบัติลงไปได้มีสติ พอมันคิดไปถึงไหนถึงไหนพอรู้สึกตัวอา้ามันก็กลับมาอ่ามันก็เห็นผลบ้างปฏิบัติได้ให้ผลได้บ้างนะแล้วก็ต้องสร้างสิ่งเวลล้อมให้เกิดขึ้นแจ้เราอย่าไปเปรียบเดียวดายดคนเดียวไปสุขคนเดียวไปทุกข์คนเดียวไม่ได้เราอย่างคนอื่นว่างเขาทุกข์ยังไงเขาไม่ทุกข์อย่างไร ไม่ใช่ตัวเราคนเดียว <c oughs> ในตัวเราเนี่ยก็ไม่ใช่แบบแต่มีความหลงมันก็มีความรู้ด้วยในตัวเรามันมีความโกรธและมันก็มีความไม่โกรธ ด, ด้วยในตัวเราเนี่ยมันมีความทุกข์และมันก็มีความไม่ทุกข์ด้วยมองสองแง่สองมุมแง่ลาแย่ดีก็หัดเลือกเอาสิเลือกเอาเสียงที่มันถูกต้อง เไปถล่มไปในความคิดอารมณ์ต่างๆสําคัญมันหมายเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราเราเร็วกว่าเขาเขาดีกว่าเราเราเสมอเขาเขาเสมอเราเราเลิะกว่เาเขาเขาเร็วกว่าเราใช่ไม่ได้ทั้งนั้นเป็นมานาทิฐิเป็นความเห็นผิดไปสมมุติไปบัญญัติว่าดีว่าชั่วว่าผิดว่าถูก ว่าชอบว่าไม่ชอบสมมติปัญญัติไปโอ้ยเยอะแยะว่าผีหลอกว่าผีผู้หญิงว่าผีผู้ชายว่าอ่าอะไรสพระยอย่างที่มันจะหลอกเรายกเมกมาทําให้กลัวทำํำไมกล้าทําให้เกิดกิเลสตัณหาจําเป็นจําเป็นมันไม่จําเป็นสิ่งที่จําเป็นที่รีบด่วนคือความรู้สึกตัวนั้นมาทางนี้ก็มีความรู้สึกตัว สึกตัวโู้สึกตัวอ่าพวกเราที่นั่งอยู่นี่ก็เหมือนกันนั่นแหละไม่มีใครที่จะวิเศษกว่ากันหรอกเหมือนกันมีกิเลสทัณหามีความคิดมีความโลภความโกรธความหลงมีพ่อมีแม่มีเพื่อนมีมิตรมีพี่มีน้องมีลูกมีหลานมีคนรักมีคนชัางมีแพ้มีชนะมีสมวังไหม่สมบังทั้งนั้นรสชาติของโลกน่ะ อย่าวไปเอามาบัญญัติว่าเราไม่เหมือนเขาเขาไม่เหมือนเราเหมือนกันความหลงก็เหมือนกันความโกรธก็เหมือนกันความทุกข์ความสุขก็เหมือนกันความรักความชังก็เหมือนกันชิเลตตัญหาก็เหมือนกันอ่าเราก็ไม่ต้องสงสัยหรอกมาปฏิบัติอันที่เราไปสมมติโอ้หลวงพ่อก็เป็นพระ เราเป็นโยมก็ไม่เหมือนกันไม่ใช่ทั้งสิ้นเหมือนกันสัจธรรมต้องเป็นอันเดียวกันมีค ว, มวน of drank, ความรู้สึกตัวกับความรู้สึกตัวอันเดียวกันไม่ใช่เป็นพระเป็นคารวะเป็นเพศเป็นวัยเป็นลัทธินิกายนี่มีความรู้สึกตัวอันเดียวกันมันหลงกันเดียวกันเวลาได้มันหลงมีความรู้สึกตัวเอาความรู้สึกตัวไปสร้างขึ้นเหมือนกันอเราก็สร้างได้ มือเราก็ห้านิ้วสิบนิ้วา 2, ขาสองแขนสองในสมองมลยอะไรเหมือนเหมือนกันทั้งหมดจนเขาสร้างหลักสูตรศึกษาเรื่องของายเรื่องของอะไรต่างๆเหมือนกันเอาไปเป็นหมอเป็นสารสุขไปรักษาเหมือนกันหมดจบเันเดียวกันคำพูดันเดียวกันภาษาเดียวกัน เป็นตับเป็นใจอันเดียวกันในร่างกายนี่มีเจสาโลมานะขาทันตาตาโจผมขนเล็วันหนังเนื้อกระดูกเยื่อในกระดูกม า, มามหัวใจตับปอดพังปืดฟังไส้ใหญ่ไส้น้อยอาหารใหม่อาหารเก่าเหมือ น, นกันละ่ะแต่ว่าความไม่ทุกเนี่ยควที่จะ ความไม่หลงเนี่ยควรที่จะพิเศษสักหน่อยให้พิเศษสาหรับชีวิตเราเรียกว่าวิวิเศษพิเศษวิปัสสาเนี่ยมันวิเศษนำไปสู่อย่างวิเศษไปสู่สจุดปลายปลายทางอย่างวิเศษนำไปวิเือนนำไปในยะ นำไปสู่ความวิเศษในยะนำไปวิคือวิเศษอย่ามันพาดตรงนี้พวกเราสร้างเอาจะเอาความแก่มาอวดจะเอาความหนุ่มมาอวดแจะไปอยู่ตรงนั้นหยกตัวขึ้นสู่ความรู้สึกตัวอหาวิธีอแต่วพวกเราก็เอือ้อเอือ้ออำนวยให้เกิดการปฏิบัติ แต่เวลานี้ที่นี่ก็ไม่ค่อยสงบกำลังในการก่อสร้างก็คือเรียบด่วนสักหน่อยเพื่อจะให้เสร็จก่อนเข้าพรรษาเข้าพรรษาเราจะเงียบกันปฏิบัติทำกันหลวงพ่อก็คิดแต่เรื่องนี้ทำยังไงคนจะได้มีโอกาสปฏิบัติจริงๆทำยังไงคนจึงจะมาปฏิบัติ แล้วไงเขาจึงจะอยู่ปฏิบัติกับพวกเราก็าคิดแต่อย่างนี้พวกเราที่มาแล้วก็อยาไปอ้ขออยู่ขออยู่ไม่ต้องขออยู่ไม่ต้องขออยู่เป็นเรื่องที่เราจะต้องอยู่เพื่อการนีรโดยตรงพวกเรามาจากไหนก็มาบางทีมูหนวกก็ยังมาปฏิบัติเป็น ออมาพาดเขายังมาปฏิบัติแต่าในคนโ ห, หนวกเขากลับไปเขายังเก็บอารมอยู่บางคนพวกที่โ ห, หนวกไม่ได้มาพอเห็นพวกนี้กลับไปมีพฤติกรรมที่ดีเขาก็เสียดายเขาอยากเขาโอกาสมาเขาเป็นโรคคนโ ห, หนวกเขาก็ยังทำได้เราในมันพร้อมเป็นมนุษย์สมบัติ หัวก็ไม่หนวกตาก็ไม่บอดหาก็ยังไม่พิกลพิการแขนขายังดีอยู่เราไปใช้ชีวิตเพื่อการอะไรลองมาทุ่มเทลองมาใส่การนี่ลองดูมันจะต้องเกิดอะไรขึ้นถ้ามันทำได้เนี่ยสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวเนี่ยเราจะไปให้ใครช่วยเราเราจะต้องมั่นใจในตัวเองด้วยมือของเราเองด้วยการกระทําของเราเอง การปฏิบัติธรรมอย่าไปขออย่าไปห้อยอย่าไปแขวนใครมั่นใจอ้าวลองประเทียนปฏิบัติธรรมอายุเท่าไหร่อายุส่สิบหกปีอ้าวเราอายุสามสิบปีอ่าถ้าจะสมมุติ่ะจะเก่งขนาดไหนคนน่คิดนะไอ้ชี่าเ่งนั้นนะ เราก็ยกแขนขึ้นเราก็ไม่กล้าเหมือนกันแล้วก็เดิน ด, ดูเก้าออกไปเราก็ไม่กล้าเหมือนกันเก้าออกไปมันลู่นี่เราทําได้ยกมือขึ้นนี่ลู่เราทําได้ให้มั่นใจนะมันหลงเทใดเราลู่สึบตัวนี่เราทําได้บางทีไปคิดอะไรกับกิเลสลองดูมันคิดถึงลูกถึงเมลเราก็ทําได้กลับมาได้มาคิดถึงคนเลาะคนช้างเอากลับมาได้อสัอง เชื่อผีมือของเราบ้างเราทําได้เราทําได้ปฏิบัติได้ปฏิบัติได้นะหลวงพ่อ เ, เทียนายอายุสี่หกปีเราอายุสาสิบปีเนี่ยถามท่านอายุเท่าไหร่หลวงพ่อปฏิบัติทำนะสี่สิบหกปีโอคนอายุสามสิบปีกับสี่หกปีมันก็ต้องมีกําลังมังชาพวกกันนะเราโชว์กล้ามขึ้นเราจะต้องสูบเอาอย่างหลวงพ่อเทียน อรมณกูเทยียนคุยอวดด้วยของกูเทยียนบอกว่าผมบ่ได้หาเงินล้อยเห็นพันเอกะหาเงินสิบเงินห้านาี่มันหาบทเป็นหาเงินล้านเงินแสนพุ่นอ่าคืนหนึ่งมีผู้หญิงมานอนด้วยคืนละคนสองคนมันบ้าฮะมันบ้าแบบนี้ผมบอกเป็นบ้าแล้วเนีย่ยพอบอกเป็นบ้าแล้วเนี่ยทำอันนี้ เรายังไปเจอัหาความไม่เป็นสาระของพระพุทธเจ้าของเร า, าศาสตราเอกเอาอย่างแีภาษาพกทธเป็นยังไงคนถึงง่วงที่สุดคือพระโมกขลาดนั่งอยู่ตรงไหนงกง่วงรับตะพึดตะพื้ไม่มีปัญหามากทำยังไงทำยางไางไจึงจะหายง่วง พระเจ้าปสอนนะแสดงว่าคนที่ง่วงเหมือนเราก็มีเก่งเหมือนกันสองพันกว่าปีภระาทและมังวงทีหลังเขาเกิดทีหลังเขาไม่สำคัญมันหมายไปตัวเราไม่ไหวเขาไหวมาแล้วพระมกุราชเน่ผู้ที่มีกิเลสตนามากก็ไม่เยอะผู้ที่มีติวิมานมากก็ไม่เยอะ เอนโจนก็มีอ่าคนเป็นพันๆเ้ายังทำได้เราไม่ได้เปิฆ่าใครที่ไหนออกมาจากครอบจากครัวเป็นลูกสาวเป็นที่รักของพ่อของแม่เป็นสามีเป็นภรรยาเป็นแม่ของคนเป็นลูกของคนมาอย่างดีที่สุดองค์คลร์มาเนี่ยวางดาบเปื้อนเลือดมาปฏิบัติธรรมนะ บางทีโจรบางทีทิฏฐิมานะอข้าวานิษ ต, ต่างๆนะเราไม่ไหมไม่ใช่เราอะไรหรอกเขาก็เหมือนเขาเขาก็เหมือนเรากนะ็าจะคิดนะนะไปกลัวอะไรไปคิดอะไระต้องเราคนนึงนะ ยกมวอสร้างจังหวะรู้สึกและเลือกได้เพิ่มความรู้สึกเข้าไปกับการใช้ชีวิตที่นี่อันอื่นและไว้หลังให้ความรู้ออกหน้าออกตาหัดให้มีความรู้ออกหน้าออกตาหัดให้มีความรู้นำเอามาหัดท้าไม่หัดมันไม่เป็นก่อนพูดก่อนทำก่อนคิดให้มีสติเข้าไปเกี่ยวข้องกับการใช้ชีวิตทุกท ก, ทกด้าน จะให้ความหลงนำแม้มันจะนำแล้วก็แซงมันไปเคยแซงไหมพี่ทองอยู่เคยแซงความหลงไหมแซงได้ไหม <c oughs> มันดอกหน้าเราแซงมันไปอ้าออกไปอาสัยเข้าเกลี่ย <c oughs> มันลดคุณภาษามันเข้าเกลียสี่เข้าเกลียห้าวิ่ง <c oughs> มันส์ วันหนึ่งเขามาถามหลวงพ่อเอ้ยทำไมก็าทำใบลอยหลวงพ่อโอ้ขอแสงความง่วงหรือมะใช่ไหมไอ้รามง่วงสร้างเกว่าช้าอ้าไอ้ท่านเขาเลยยกเกว่าใบใ้แสงความง่วงแสงความหลงแสงความคิดแต่มันไม่ง่วงมันไม่หลงก็พยายามทาโค้กโค้กสักหน่อยยกมาสร้างเกว่าไปหน่อยอ่าเอาประกอบเอามันมีมันทำได้มันชามัน ได้มันไวมันได้เวลาใดมันหลงแสงความหลงเวลาใดมันโกรธแซงมันโกรธเวลาใดมันทุกข์แสงมันทุกข์เวลาใดกิเลสตัณหาขึ้นแสงมันเอาสติเข้าไปเกี่ยวข้องอธรรมย่อมแพ้ธรรมธรรมย่อมชนะอธรรมอยู่เสมอเพราะมันไม่จริงหรอกกิเลสตัณหามันไม่จริงความโลภความโกรธความหลงมันไม่จริงวพาะไม่หลงในอะไรจริงที่สุด ความไม่ทุกข์ในระกิงที่สุดความไม่โกรธจริงที่สุดอ่ามันจะใหญ่โตขนาดไหนไม่ภาษีภาษาเลยละมาสร้างความรู้สึกตัวมาสร้างความรู้สึกตัวนะอ่าให้รีบตัวหน่อยแตืต่นรุ่นเช่นหน่อยมีศรัทธามีความเพียรมีสติมีความมั่นคงมีปัญญาอย่าทําแบบโง่โง่ ฉุกตัวเองขึ้นเวลาใดมันหลงให้เห็นความหลงชัดเจนอย่ารึ่งหลงคขึ้งรู้อยู่อย่างนั้นอืมงองอะไรมันชัดเฉพาะเรื่องเฉพาะเราหัดตัวเองตอนไม่หัดเนี่ยมันไม่ดีต้องหัดถ้ามันหัดมันก็เป็นไปได้มันก็ตือเราล้น อ, อยากให้มันหลงโดยสัาไปอยากให้มันมีกิเลสอยากให้มีความทุกข์ มันจะได้เห็นมันมันสนุกดีสนุกเล่นกับความหลงสนุกเล่นกับกิเลสเยาะเยอยมันอ ะ, อ, อะเยาะเยยมันมล้นเขาเล่นกับงูพิษเราแสดงเลยทีเดียวจับงูจงอางชกกับงูจงอางงูจงอางสองตัวเคยเห็นไหมพประสานอือไปดูซิคนคนเดียวชกกับงูจงอางสองตัวคนภาคก็ภาคนะอ้าว ไอ้ท้ายต่อยแล้วไอ้ขวาต่อยแล้วมือตรงกลางข้างซ้ายข้างขวาไอ้คนก็หลบหน้าโอ้หลบหน้าโอ้เครือบทูกไปอุิดไปหน่อยเดียวมันชกนะแต่ไม่ชกไอ้คนก็หยอกมันเอามือไปหยอกมันเดยมันไปใส่มน้าสลําก็ชกเกาชกเกาด็สู่ก็สู้คนไม่ได้มันวิน่งนี้มันก็โดดลงเวทีงมืตรงกลางมันมีเวทีนี่มันเลื่อยลงไปโ่นไอ้คนก็วิ่งลงไปจับตัวนั้นดึงหางขึ้นมาวางตัวนี่ เช้กันอะตัวนี้ลงไปแบบจับ ง, งูชงลางเออกมาโรคออกมา ต, ม ต, ต่อยกันได้มันต่อยเออได้สิกิเลสตัณหามันไม่มีพิษเหมืนมองนงูจงลางมันไม่ถึงตายหรอกไม่ตายเพราะกิเลสไม่ตายเพราะความโกรธแต่บางคนที่ไม่สู้ก็ตายนะเป็นโรค ก, ก็เพระอาหารเป็นโรคประชารถ ต, ตายอา่าแพ้ของแค่นั้น อ่าที่เขาบอกสร้างความรู้สึกตัวสร้างความรู้สึกตัวอ่าอ่าวันนี้ก็พอแนละ้วแต่มาฝากวรก็พฝาพร้อมกัน <c oughs>